พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดีประธานสงฆ์และท่านพระเทเรสเทราทรูรูขอเจริญพรท่านพลเอกเสรีภุกกมาและท่านดรรชนีพอรภู้ิคยาพรภุมกมา และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านก็ดังที่เคยปฏิบัติมาก็คือในวันอันเป็นมง ค, คลบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนะมงคลแต่ละปีของท่านพระเดกเสรีนอกจากจะนิบถนประสงค์มาเจริญพระพุทธบพทเป็นสิริมงคลแล้ว ก็ยังมีให้ให้มีการบรรยายธรรมการบรรยายธรรมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับของเจ้าภาพไปแล้วก็ว่าได้ทางเจ้าภาพคือท่านพลเอกเสรีและดรรัรชนีพร น, นอกจากต้อนรับท่านทั้งหลายด้วยข้าวปลาด้วยสิ่งของที่เรียกกันว่าอามิสัตว์ปฏิสันพาน ก็ยังให้มีการต้อนรับท่านทั้งหลายด้วยธรรมปฏิสังขานคือให้ธรรมะแก่ท่านทั้งหลายที่มาร่วมงานโดยอาราธนาประสงค์มาเจริญพุทธบุตรและบรรยายธรรมทำอย่างบัณฑิตในพระศาสนาคือเมื่อมาแล้วก็ได้ทั้งอาหารกาย และอาหารใจปีนี้เป็นการทำบุญอายุายวัฒนมงคล77ปีของท่านพลเอกเสรีพุมกมาการจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่สประการประการที่หนึ่งก็คือเป็นการฉลองอายุวัฒนมงคล ให้เจ้าของวันเกิดก็ดีผู้มีส่วนร่วมก็ตา่างแสดงความชื่นชมยินดีในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ที่ท่านพลเอกเสรีได้เจริญอายุผ่านร้อนผ่านหนาวมีสุขภาพดีผ่านอุปสรรคโรคาภัตทั้งปวงมา ควรแก่ความชื่นชมยินดีก็เป็นการทาบุญฉลองก็คือแสดงความชื่นชมยินดีร่วมกันและในการทาบุญฉลองชื่นชมยินดีใดๆก็ตามเขาไม่ทำคนเดียวกันเงียบๆ เ, เวลาที่เรามีความสำเร็จมีความสุขเราต้องการกาลยานำริตร มาร่วมงานมาร่วมแสดงความชื่นชมยินดีดังคำกล่าวที่ว่ากาลยานามิตรเพิ่มความสุขเป็นหนึ่งเท่าลดความเศร้าเหลือครึ่งหนึ่งเวลาที่เรามีความสุขมีความสำเร็จเราฉลองคนเดียววันเกิดเนี่ย สั่งเค้กมาอันใหญ่ตัดทานอยู่คนเดียวมันก็สุขหนึ่งเท่าเท่าเดียวแต่ถ้ามีกาลยานมิตรมาร่วมงานความสุขก็เพิ่มเป็นเท่าตัวเพราะฉะนั้นจิงท่านทั้งหลายมาร่วมงานมาให้เห็นหน้าในวันนี้ก็เท่ากับมาอำนวยพรให้ความสุขแก่เจ้าภาพ ทั้งท่านพลเอกเสรีทั้งดรรชนีพรและครอบครัวจึงเป็นที่หน้าอนุโมทนาในน้ำใจของท่านทั้งหลายที่มาเพิ่มความสุขให้ในงานนี้เพียงเพราะท่านทั้งหลายได้สละเวลามาร่วมงานอันรวมถึงพระคุณเจ้ารับนิมนต์มาด้วยโดยเฉพาะหลวงพ่อพระธรรมปัญญาติปณีท่านมาอวยพรปราบลมน้ำพุธบด นี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองการจัดงานนี้ก็เนื่องมาจากว่าเมื่อมีกามความชื่นชมยินดีที่เจริญอายุมาแล้วโบราณเขาถือว่าการที่เจริญอายุผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็เพราะว่าบุญคุ้มครองรักษา บุญคุ้มครองรักษาพาให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพยบูุษเป็นความสำเร็จมาจนวันนี้และถ้าจะให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าต่อไปก็ต้องทำบุญเพิ่มเพราะพลังบุญส่งให้มาวันนี้อาจจะอ่อนกำลังจึงจะต้องมาชาร์จแบตเตอรี่บุญขึ้นไม่อีกดังที่ทำบุญวันนี้ นิมนพรสอ์มาเจริญพระพุทธมนต์ที่จริงก็คือสวดพระปริตเวลาที่จะสวดพระปริศนั้นาศาสนาพิธีกรจะอาราธนาว่าวิปติปฏิภาหายะเป็นต้นอันเป็นวัตถุประสงค์ของการสวดหรือเจริญพุทธมนต์หรือสวดพระปริตก็คือนิมนทพระคุณเจ้าสวด บทพุทธต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าปริษ์แปลว่าคุ้มครองป้องกันเพื่อประโยชน์อย่างน้อยสามประการวิปติปฏิภาหายะขอให้กำจัดปัดเป่าภัยพิบัติทั้งปวงสรพสัมปติสิทธิยาเพื่อให้สิ่งที่ปรารถนาสมบัติทั้งหลายสำเร็จดังที่ต้องการ และให้สัพพทุกสัพพภัยสัพพโรคจงผ่านพ้นไปอย่างมาแผ่วผ่านฉะนั้นพลังอำนาจแห่งพุทธบุรเนี่ยก็เป็นพลังบุญที่คุ้มครองป้องกันท่านเจ้าภาพในวันนี้โบราณเขาบอกว่าการทำบุญเพิ่มนั้นจะทำให้ชีวิตเจริญงอกงามยามบุญมาว่าสนาช่วย ที่ป่วยก็หายที่หน่ายก็รักบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายยิ่งในช่วงที่จะได้เลื่อนขั้นจะได้เลื่อนตําแหน่งต้องทําบุญมากหน่อยยามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญลงหงสาเป็นกาไก่ถ้าทําบุญแล้วไก่จะกลายเป็นหงฉะนั้นนี่เป็นคติ ข้อที่สองข้อที่สามถือว่าที่ชีวิตเราจเจริญเติบโตกำเนิดขึ้นมาในโลกนี้เพราะมีผู้ให้อุปการะคุณถ้าไม่มีพ่อแม่ให้กำเนิดเรามาวันเกิดนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันลบรึกนึกถึงผู้มีอุปการะคุณตั้งแต่บิดามารดาและผู้ที่เป็น ครูบาอาจารย์ไทยต่อไทยก็ตามที่เลี้ยงดูฟูม ฟ, ฟักอุปถัมภ์เรามาจนมาถึงในปัจจุบันที่ชีวิตเรามั่นคงเพราะใครบ้างให้การสนับสนุนอุปถรัรมภ์ก็เป็นโอกาสที่ล้ำลึกนึกถึงอุปการะแปลว่าบุญคุณที่ท่านได้ทำไว้ก่อนนั้น การลบรึกเช่ น, นั้นเรียกว่ามีความกะตัญยูรู้คุณกะตะเวทีตอบแทนคุณฉะนั้นงานนี้จึงเป็นงานกตัญญูกะตะเวทีตอบแทนคุณผู้มีพระคุณที่ร่วงรับไปดังที่ทําบุญก็กรวดน้ําบุทิ่ส่วนโกศให้บุพการีผู้มีพระคุณผู้มีอุปการะที่ล่วงรับไปแล้วนั้นด้วย ตอบแทนน้ำใจของผู้ที่ยังอยู่ด้วยโดยเฉพาะชาวมหาวิทยาลัยศรีประทุมจะตอบแทนน้ำใจกันอย่างไรหรือแขกเพื่อนกายนามิตรที่มาร่วมงานกันก็แสดงน้ำใจกันในวันนี้เรียกว่าการตอบแทนนั้นจะคู่กันกับอุปการะผู้ที่ทำบุญไว้ก่อนเขาเรียกทำอุปการะ ช่วยเหลือสนับสนุนเราเรามีความกตัญญูรู้คุณกตาวทีตอบแทนคุณซึ่งความกตัญญูกตาวทีท่านบอกว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีด้วยการปฏิการะตอบแทนตอบแทนน้ําใจของผู้มีน้ําใจทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวาระเหตุการณ์ตอบแทนน้ําใจทั้งในฝ่าย บรรพชิตคณะสงฆ์และในฝ่ายคฤหัสเพื่อนร่วมงานใดนๆทั้งปวงที่ท่านพลเอกเสเรีได้แสดงออกให้ปรากฏเมื่อเราตระหนักถึงอุปการะคุณของใครก็ตามเราปฏิการะอย่างน้อยสี่วิธีด้วยกันที่ท่านเรียกว่าสังคะวัตถุข้อหนึ่งคือการให้นะทานจะให้สิ่งของให้ ของตอบแทนใดๆก็ตามเป็นปฏิการะที่แสดงออกน้ำใจเพราะฉะนั้นการให้เนี่ยเป็นการแสดงถึงความที่เราซาบซึ้งน้ำใจของคนอื่นให้ของขันตอบแทนบ้างให้สิ่งของบ้างและเขาบอกว่าการให้แก่กันและกันสงเพาะแก่กันและกันเนี่เป็นการเพิ่มความสุขให้กับแก่แก่กันและกัน พาสิจจีนเขาบอกว่าสุภาษิจจีนเขาบอกว่าอยากมีความสุขหนึ่งชั่วโมงให้ทําอะไรรู้ไหมอยากมีความสุขหนึ่งชั่วโมงให้งีบหลับคนฝรั่งเศสเขาจะหลับกลาวันนะเขาก็งีบหนึ่งชั่วโมงจีนก็คงบอกว่านั่นแหละมีความสุขหนึ่งชั่วโมงให้งีบหลับ แต่อย่าหลับตอนพระเทศนะข้อสองอประเด็นที่สองอยากมีความสุขหนึ่งวันคนจีนบอกว่าให้ไปตกปลาอยากมีความสุขหนึ่งเดือนหนึ่งวันนี่ให้ไปตกปลาหนึ่งเดือนคนจีนให้ไปทำอะไรรู้ไหมท่านเขาบอกว่าให้ไปแต่งงาน คนจีนก็อย่างนั้นนะถูกปิดไม่รู้เนะยอยากมีความสุขหนึ่งปีให้รับมรดกอยากมีความสุขชั่วกาลนานให้สงเคราะห์คนอื่นให้ช่วยเหลือให้เกื้อกูลคนอื่นซึ่งรวมไปถึงทำบุญด้วยนะให้ทานทั้งหลายเนี่ย ทำไมการให้แก่คนอื่นจึงทำให้เป็นความสุขที่ยั่งยืนมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัย b ริ t i s h คล l u เบียที่แคนาดาเขาทดลองเรื่องนี้เป็นงานวิจัยระดับที่แพร่หลายไปทั่วโลกเนะเขาให้นักนักวิจัยเนี่ยแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเอาสตางค์ไปแจกคนแปลกหน้าใส่ซองไปห้าเหรียญบางยี่สิบเหรียญบางไปแจกเจอกันกลางถนนก็ผมให้สตางค์พุดแล้วแต่ใครจะได้ห้าเหรียญหรือยี่สิบเหรียญโดยมีข้อแม้ว่าภายในเวลาสิบเจ็ดนาฬกาห้าโมงเย็นวันนี้ คุณต้องใช้เงินให้หมดกลุ่มแรกมีกติกาว่าใช้เงินซื้ออะไรก็ได้เพื่อตัวคุณเองจะเป็นอาหารเป็นสิ่งของให้ตัวเองกลุ่มที่สองแจกเงินห้าเหรียญยี่สิบเหรียญแก่คนแปลกหน้าเหมือนกัน ให้ใช้ให้หมดภายในห้าโงเย็นมีกติกา ว, ว่าให้ซื้อของเพื่อคนอื่นจะเป็นของกินของใช้อะไรก็ได้ไม่ใช่เพื่อตัวเองนะกลุ่มที่สองเพื่อคนอื่นและเขาก็มีเบอร์ติดต่อมีที่ติดต่อไว้แต่ละคนที่เขาให้ไปหลังจากนั้นติดตามผล ไปสัมภาษณ์ไปถามผลออกมาว่ากลุ่มที่ได้เงินไปแล้วไปซื้อของเพื่อตัวเองเนี่ยมีความสุขน้อยกว่ากลุ่มที่สองที่ได้ไปแล้วไปซื้อของเพื่อคนอื่นเพื่อคนอื่นเขาจะมีความสุขมากกว่ากลุ่มที่สองเนี่ยเพราะฉะนั้น โดยไม่มีความข้อแตกต่างของจำนวนเงิน5เหรียญกับ20เหรียญไม่ทำให้ความตุกความสุขมากน้อยต่างกันแต่อยู่ที่เพื่อใครอา้าวลองอีกเขาทดลองอีกกระจายไปประเทศอื่นเงิน20เหรียญแต่ไม่ใช่เอาไปให้ขอบริจาคนะเอ่อ ให้ซื้อซื้อของมีของขวัญอยู่พอหนึ่งให้ช่วยซื้อข้างในเนี่ยเป็นขนมเป็นคุกกี้เป็นช็อกโกแลตยี่สิบเหรียญกลุ่มแรกให้ซื้อเอาไปทานเองเอาไปกินเองกลุ่มที่สองให้ซื้อโดยทางผู้วิจัยบอกว่า จะเอาไปแจกเด็กที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลกลุ่มที่สองไม่ได้กินเองนะแต่ว่าซื้อเพื่อไปให้เด็กที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลสองกลุ่มพอถามนะตามติดตามผลแล้วเป็นยังไงกลุ่มที่สองมีความสุขมากกว่ามีความสุขมากกว่ากลุ่มแรกที่เพื่อตัวเอง เขาก็มาสรุปวิเคราะห์ทั้งสอทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยทำไมมันให้ความสุขในการให้แก่คนอื่นช่วยเหลือเด็กคำตอบก็คือเพราะมันมีเรื่องคอนเนคชั่นมีเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ในงานวิจัยที่ว่านี้นะถ้าเพื่อคนอื่นเรานึกถึงคนอื่นเรามีความสุขมากกว่า แต่ในทางาศาสนาท่านสอนมาเพิ่มมากกว่านั้นอีกท่านสังเกตไหมเวลาที่ท่านให้ทานแจกของแกคนอื่นท่านไปทอดกระถินทอดผับป่าท่านไปสร้างโบสถ์ที่เนเธอร์แลนด์มันต่างจากสร้างบ้านให้สร้างบ้านหรือซื้อของให้ตัวเองอย่างไร หรืออย่างที่เราทำบุญวันนี้มันต่างจากการทำความดีหรือเพื่อตัวเองอย่างไรท้งศาสนาท่านบอกว่ามันมีเจตนาที่ต่อเนื่องยาวนานกว่าการซื้อของกินเองหรือของใช้ให้ตัวเอง เวลาที่ท่านหิวท่านซื้อของซื้ออาหารรับประทานอิ่มแล้วท่านก็ลืมเดี๋ยวหิวก็ทานใหม่ความสุขมันไม่ยั่งยืนแต่เวลาที่ท่านซื้อของให้เด็กให้ลูกหรือทำบุญการจะเสียสละเพื่อคนอื่นเจตนาต้องแรงกล้า เพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะเสียสลักก่อนที่ท่านจะให้เนี่ยมันมีบุพเพเจตนาปลุกใจตัวเองการคิดถึงประโยชน์อะไรต่อวิอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เจตนาเนี่ยมันแรงกล้าอย่างท่านพรเดกเสรีพูดละไปสร้างโบสถ์ที่เนเธอแลนด์โบสถ์ยังไม่ได้สร้างนะแต่ได้ปัจจัยละ อนุโมทนาร่วมกับหลวงพ่อวัดมหาธาตุพอท่านเล่านี้นึกได้เลยอาตมาผู้ผู้ผู้ปฎิยายนี่ก็พลอยอนุโมทนายินดีเพราะว่าตอนที่ท่านมาระดมทุนในโบสถ์รัฐมหาธาตุมาทอดพระป่านะ่ะอาตมาไปเป็นพระบรรยายธรรมนะช่วยเลี่ยนไหลด้วยจึงนึกได้ว่าจนบัดนี้ยังไม่เสร็จนะนะพอท่านพระเดกเสรีจะไปช่วยท่านเพราะยินดีอีกอวันนี้ใครมาทําบุญร่วมกันนะท่าน ขณะที่เราให้เราก็มีความสุขดีใจมุนจนะเจตนาทําไปเรียบร้อยแล้วยังเอามาคิดเอามาพูดเอามาคุยวันนี้ญาติโยมหลายคนมารายงานไปทอดกรถินพระราชทานที่อินเดียทอดเสร็จไปแล้วมันยังอยู่ในจิตใจหลายเรื่องหลายอย่างแล้วมันเป็นความสุขที่ยั่งยืนไงมันไม่หมดไม่หาย และสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในจิตใจเรียกว่าไม่มีวันลืมมีประเด็นอื่นๆมากมายเอาเป็นว่าทำไมการที่เราทำความดีมันจึงให้ความสุขที่ยั่งยืนการที่เราตอบแทนหรือให้ใดๆก็ตามนี่ข้อที่แรกคือทานข้อที่สองปิยวาจาเมื่อเราลํำลึกนึกถึงน้ำใจของใครก็ตาม เขามีบุญคุณเราก็ปฏิการะตอบแทนด้วยการกระตะเวทีเนี่ยแปลตามตัวก็คือประกาศให้ปรากฏว่าเขาทําอะไรให้เราคําว่าประกาศนี่แค่ท่านกล่าวคําว่าขอบคุณมันก็เป็นกระตะเวทีแล้วนะแค่รู้จักกล่าวคําขอบคุณส่งการ์ดส่งลายขอบคุณทราบซึ่งแค่นี้ก็ผู้ให้ผู้ทําผู้ อุปการะก็ก็รู้สึกดีแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ตามร้านต่างๆเขาเขาพูดอัตโนมัติเลยน ะ, อะขอบคุณท่านผู้มีปุญการุณแต่มันต้องออกมาจากจิตใจถ้าเราออกมาจากจิตใจเนี่ยเป็นกระตะเวทีตอบแทนคุณแล้วก็จะทำให้เกิดความซาบซึ้งกันถ้าหากว่าเราไม่ ไม่แสดงน้ำใจไม่ตอบไม่มีสิ่งที่อยู่ในใจที่จะตอบแทนคุณเนี่ยมันก็ไม่แสดงว่าเรามีธรรมะที่เป็นเครื่องหมายของคนดีต่อไปในเรื่องโพนันทิวิศาลเป็นตัวอย่างที่ใครทำประโยชน์ทำความดีให้แล้วเจ้าของเศรษฐีแทนที่ไอ้พรามแทนที่จะ กล่าวคาขอบคุณกลายเป็นไปด่าไปว่าวัวนะนะขนาดวัวยังไม่ทราบซึ้งน้ำใจด้วยเลยเนี่ยก็ไม่ช่วยเหลือไม่อะไรต่างๆท่านก็สอนว่าในการที่ท่านทำใครก็ตามทําประโยชน์ให้เราก็จะต้องปฏิการะด้วยปิยวาจาซึ่ง ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยถ้ากล่าวขอบคุณผู้น้อยนอกจากจะซาบซึ้งใจแล้วบางทีใส่ใจเรืองเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็จะจดจำไม่ลืมพ่อครัวคนหนึ่งของ ร, รมเนียบขาวในสหรัฐอเมริกาได้มาเขียนเล่าว่าสิ่งที่เขาประทับใจต่อประธานาธิบดีของเขาเนี่ยไม่ใช่รางวัลอะไรมากมายเลยแค่เรื่องเล็กๆ คือวันหนึ่งประธานาธิบดีคือเขาอยู่ในโรงครัวในห้องครัวทาเนียบขาววันหนึ่งประธานาธิบดีโทรศัพท์มีคนบอกว่ามีโทรศัพท์มาเขาก็ไปรับกลายเป็นประธานาธิบดีเนี่ยโทรศัพท์มาหาเขาประธานาธิบดีก็อยู่ในเทเนียบขาวนั่นแหละก็แปลกใจว่าโทรมาสั่งเมนูอะไรประธานาธิบดีบอกไม่มีอะไรหรอก มองออกไปทางหน้าต่างเดี๋ยวนี้ในห้องครัวที่คุณอยู่มองไปทางนอกหน้าต่างแกก็พ่อครัวก็มองไปก็ไปเห็นนกแล้วประธานั้นที่แบบจำได้ไหมที่เราเคยคุยกันครั้งหนึ่งว่าเวลานกจากแคนาดามันอพยพมาเนี่ยไอ้นกชนิดนี้ที่คุณเราที่คุณสงสัยว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไร มันหนีหนาวมาตอนนี้บังเ อ, อิญมันมาเกาะอยู่ริมหน้าต่างขอบหน้าต่างคุณเนี่ยคุณโผล่ไปดูสักคุณก็จะรู้เลยว่ามันรูปร่างหน้าตายอย่างนี้พ่อครัวซึ้งน้ำใจมากแค่ปียว่าจากแค่นี้คุยกันตั้งนานแล้วยังใส่ใจว่าพ่อครัวสนใจนกตัวนี้อย่างไรแล้วก็ตัวเองก็ลืมไปแล้ว นี่ก็คือการปฏิการะด้วยวาจาปิยวาจาเล็กๆน้อยแต่ว่ามันมีคุณค่าแก่คนอื่นอย่างไรข้อที่สอัตถกจริยาผู้หลักผู้ใหญ่บำเพ็ญประโยชน์อาจจะไม่ใช่ให้สิ่งของแต่รับเชิญไปเป็นประธานเปิดงานก็ยังดีไปเป็นประธานในงานที่เขาเศร้าเสียใจ ในงานเอาวะมมงคลก็ได้สละเวลาไปแค่นี้คนก็จำไม่ลืมอามาร์เคยอ่านประวัติของท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักอดีตนายกท่มนตรีเล่าถึงตอนที่ท่านเป็นประธานศาลฎีกาท่านสัญญาธรรมศักเนี่ยประธานองค์มระบัญี อดีตประธานวงคมมตรีตอนที่ท่านเป็นประธานสารดีกาหน้าห้องมาบอกว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาขอพบแต่งตัวแบบเด็กชาวบ้านนี่แหละเสื้อผ้าก็บอกจะให้พบไหมท่านสัญญาบอกให้มาสิก็ให้เข้ามาในห้องประธานสารดีกา ถามว่าหนูมีทรละอะไรละ่ะท่านาท่านสัญญาถามเด็กเด็กก็บอกว่าหนูมาตามคำสั่งเสียของพ่อพ่อชื่ออะไรละ่ะก็บอกชื่อพ่อไปนามสกุลไปพ่อบอกว่าถ้าพ่อตายให้ไปพบ คนชื่อนี้ชื่อนี้ทำงานอยู่ที่นี่ให้ไปบอกเขาให้มางานเผาศพหนูก็มาตามคำสั่งของพ่อโดยไม่รู้ว่าท่านจะไปไหมปรากฏ ว, ว่าพ่อของเด็กเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเรียนชั้นประถมเรียนป .4 ด้วยกันกับท่านสัญญาธรรมศักดิ์ สนิทกันมากตอนเรียนป .4 ป .1 ถึงป .4 และหลังจากนั้นก็พบปะกันบางครั้งบางคราวแต่ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ยังจดจำกันได้เพื่อนก็คิดถึงเพื่อนพ่อของเด็กทำงานเป็นพ่านโรมอยู่ในที่แห่งหนึ่งก็ คิดว่าคิดถึงท่านอาจารย์สัญญาเนี่ยแต่ไม่กล้าบากหน้าไปพบเอาเป็นว่าตอนตายก็แล้วกันให้ไปบอกมาเผาท่านสัญญาพอรับทราบกระบอกเผาเมื่อไรล่ะเดี๋ยวจะไปที่ไหนอย่างไรพอถึงกำหนดชาวบ้านแตกตืน่นเพราะว่ามันมีรถรถนำอะนะ รถตำรวจนำมาแล้วผู้หลักแคกผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็มารู้อยู่ในรถมาที่วัดบ้านนอกแห่งนั้นผู้ที่ก้าวลงมาคือประธานสารดีกาชื่อสัญญาธรรมศัก์แสดงถึงน้ำใจของท่านและตอบแทนปฏิการะในไมตรีจิตของเพื่อนด้วยสิ่งที่เป็นอัฐจริยา แค่ไปเป็นประธานเขาศพเท่านั้นอดอกไม่จัดไม่ได้เสียของไม่ได้ทำทานไม่ได้ไปก่าวอะไรเลยแค่นี้คนก็ทราบซึ่งน้ำใจสละเวลามาให้ฉะนั้นบางทีอาจจะไม่ต้องมากที่เรามอบให้กับลูกศิษย์เรากับใครก็ตามแม้กระทั่งกับเด็กบางทีจะได้ยิยนเรื่องที่ ลูกฝังใจนะตัวเองเล่นดนตรีโชว์นะแต่พ่อไปไม่ทันแข่งกีฬาระดับไหนก็ไม่รู้แต่แม่ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนในวันนั้นฝังใจเขาไปตลอดชีวิตกับเรื่องเล็กๆน้อยน้อยที่ถ้าเราทำให้เขาเนี่ยมันจะเติมเต็มในความรู้สึก มันมีค่ามีความหมายเพียงแต่เราใส่ใจนึกถึงคนอื่นนึกถึงอุปการะเด็กไม่ได้ทาบุญคุนอะไรมากมายแต่เขาก็ให้ความสุขแก่เราเขามีอุปการะตรงนี้ผู้ใต้บงังคับัญชาเขาก็ทำให้งานของเราจเจริญรุ่งเรืองเขาก็มีอุปการะตรงนี้ ทุกคนมีอุปการะต่อการแลกันจราจรที่เขาเหนื่อยทำไมเราต้องให้ของขวัญเขาบ้างในวันปีใหม่เพราะถ้าเขาไม่อยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ได้รับความสะดวกอย่างที่ได้เมื่อนึกถึงน้ำใจของการแลกันอุปการะที่เขาให้เราก็ปฏิการะตอบแทนคำพูดของประธานาธิบดี เคนเนดี้ในวันรับตาแหน่งมันมีนัยยะคล้ายๆกันอย่างนี้เขาบอกว่าเขาบอกคนอเมริกันว่าอย่าถามว่าประเทศนี้จะให้อะไรแก่ท่านได้บ้างแต่จงถามว่าท่านจะให้อะไรแก่ประเทศนี้ได้บ้าง คำว่าประเทศอย่าถามว่าประเทศนี้จะให้อะไรเนี่ยก็เพราะว่าประเทศนี้มีอุปการะแก่ท่านแล้วไม่ต้องถามว่าตอนนี้เราจะได้อะไรเพิ่มแค่มีแผ่นดินให้เราอยู่มีอู่ให้เรานอนมีความมั่นคงในชีวิตอยู่ในดินแดนแห่งนี้ในประเทศไทยเนี่ยประเทศนี้มีอุปการะมหาศาล เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามว่าประเทศนี้จะให้อะไรแก่ฉันเพิ่มอีกลองไปถามคนที่เขาไม่มีประเทศที่เขาเสียบ้าน<ม>เสียเมืองสิเขาอยู่ยังไงเขารู้สึกยังไงครั้งหนึ่งอาตามาได้ได้รับมีโมนไปประชุมนานาชาติเมื่อสักสามสิบปีที่แล้วที่สหภาพโซเวียต เรื่องศาสนากับการลดอาวุธนิวเคลียร์แล้วตอนนั้นเนี่ยคอมมิวนิสต์เนี่ยนะเขาห้ามนับถือศาสนาโบสถ์ที่เป็นพิธภัณฑ์โบทคริสเนี่ยนะแต่เนื่องจากว่าผู้นำศาสนาทั่วโลกทั้งคริส ท, ทั้งพุทธทั้งอิสลามไปไประชุมเขาก็เลยให้ไปเยี่ยมโบสถ์ คริสที่เคยเป็นโบสถ์ใหญ่ของเคย أ, เคยเคยทหน้าที่เป็นสำนัก ง, งานใหญ่ของคริสก่อนเป็นคอมมิวนิสต์พอเป็นคอมมิวนิสต์ปิดหมดเลยวันนั้นเนี่ยเขาให้พวกเราไปเยี่ยมโบสถ์แห่งนี้แล้วรัฐบาลโซเวียตเนี่ยเปิดโอกาสให้ชาวคริสเข้าโบสถ์มาไหว้พระเจ้าได้หนึ่งวันเพื่อมาพบ นักบวชบาทหลวงและนักบวชศาสนาอื่นเราก็ไปกันอาตมาก็เห็นภาพที่ไม่เคยลืมก็คือคนแก่คนเฒ่าชาวโซเวียตสมัยนั้นเป็นโซเวียตสาภาพโซเวียตเข้ามาในโบสถ์มาสวดมนต์มาทำพิธีาศาสนาน้ำตาเขาไหล เขาไม่ได้สวดมานา น, นีแล้วจนแก่เต่าการที่เขาได้มีโอกาสได้เข้ามาเนี่ยมันซึ้งใจเหลือเกินดีใจมากอาอาตมามองเห็นภาพนี้แล้วกับคิดในใจคนไทยอยู่กับพระพุทธศาสนาไปวัดไปโบสถ์แต่ไม่ค่อยทราบซึง้ง ต่อเมื่อแกงจืดจึงรู้คนเกลือเหมือนกับคนโซเวียตตอนนั้นพอจะมาไปเทศในต่างประเทศคนไทยมาที่วัดไทยในต่างแดนเนี่ยก็เห็นสภาพเดียวกันแะกับที่โซเวียตครึ่งเดือนที่ผ่านมาสองสัปดาห์ที่มาจะมาไปเทศงานกระถินพระยาทานที่ชิคาโก คนมากันเต็มหมดเต็มบทอยากฟังเทศอยากร่วมพิธีมันหิวกระหายแต่ในขณะที่เราอยู่ที่เมืองไทยเราไม่ค่อยรู้สึกอย่างนั้นนี่ก็คือสิ่งที่พูดถึงอัฐาจริยา ถ้าคนต้องการและเขาเรียกร้องไม่ว่าจะอะไรก็ตามให้ท่านช่วยท่านแสดงบางทีสิ่งที่ท่านพูดท่านทำเนี่ยมันมีคุณค่ามหาศาลอย่างยิ่งข้อสุดท้ายก็คือประเด็นเรื่องสมานัตตาสมานัตตาเนี่ยเป็นการปฏิการรักที่ย่่ย่่่งง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เลย ก็คือวางตัวเสมอต้นเสมอปลายให้ไมตรีจิตเรามีสมานตตาในกรณีที่ที่ภาษสิจินเขาบอกว่ามีทุกข์ร่วมทุกข์มีสุขร่วมสุขเวลาเขาเจ็บเขาป่วยเนี่ยไปเยี่ยมให้เขาเห็นเห็นหน้าบ้าน ยามจนยามเจ็บยามจากไม่ทอดทิ้งกันแค่สลาเวลาไปให้เขาเห็นหน้าไม่ลืมกันแค่นี้ก็ซึ้งน้ำใจอัตตานังอุปมาณกัตตวาเอาตัวเราไปเทียบกับคนอื่นเราต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อเราอย่างไรเราก็ปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้น แค่นี้ก็ซึ้งน้ำใจแล้วมหาตรมารมคันธีเนี่ยท่านทำสมนานะายเยอะไปหน่อยเพราะว่าท่านต้องเป็นผู้นำทางการเมืองไปเรียนจบเนติบัณฑิตจากอังกฤษแต่งสูตรเมกโก้เลยไปช่วยว่าความให้คนอีเดียที่อฟริกาใต้ไปขึ้นรถไฟชั้นหนึ่งโดนจับโยนลงมา เพราะว่ามันสมวนไว้สําหรับคนผิวขาวก็เลยรู้ว่าคนอินเดียคนมีผิวสีเนี่ยถูกกีดกันด้วยระบบอาภาถไถ่อย่างไรก็เลยต่อต้านมีชื่อเสียงขึ้นมาแต่อินเดียต้องการเขามากกว่าเพราะเรียกร้องเอกราชพักคองเกรสที่ต่อต้านไล่อังกฤษก็ไปเชิญคันธีมาอินเดียมาช่วยกัน คันธีหนุ่มขึ้นเรือกลนไฟเพื่อไปอินเดียคนก็เข้าแถวต้อนรับนะสมาชิกพรรคคองเกรสที่ต่อต้านอังกฤษต้อนรับกันตอนที่คันธีลงมาจากเรือกลนไฟเนี่ยเขางงแต่งชุดกุลีมานะภาพที่เคยเห็นเนี่ยคันธีแต่งสูตรตอนอยู่อฟริกาใต้ แต่พอมาอินเดียแต่งนุ่งโทตีแต่งชุดขาวโพวกขัวชุดกุลีพวกที่มาต้อนรับแต่งสูทเขางงทำทำไมคานทีบอกว่าคนอินเดียส่วนใหญ่เขาแต่งตัวอย่างนี้เขาใช้ผ้าฝ้ายเราเลิกใช้แบบอังกฤษเถอะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นคารทีก็ปั่นฝ้ายเองใงที่เราเห็นสมานตาตาท่าน แล้วมหาตมะกัณฑีก็เลยนั่งอยู่ในจิตใจของคนอินเดียทั้งหมดเราเรียกว่ามหาตมะแปล ว, ว่าบุคคลผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในจิตใจของคนผู้นำยึงมีสองประเภทผู้นำที่นั่งอยู่บนหัวคนกับผู้นำที่นั่งอยู่ในหัวใจคนอยู่ในหัวใจคนนี่ทำให้คนรักเพราะมีสมาณะตตา ท่านทั้งหลายคงจําพระเภศราชาได้ที่ในเรื่องอ่อเจ้านะท่านปราบดาพิเศษในในเรื่องนั้นเนี่ยก็คือในปฏติศาสตร์จริงเนี่ยท่านปราบดาพิเศษจากจากนายโคชบาลแม่กองคุมช้างเนี่ยนะยึดอำนาจขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินตั้งราชวงศ์ใหม่ เรียกว่าบ้านพรูหลวงพอได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเนี่ยคนบ้านเดิมของท่านเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเพราะท่านก็เติบโตมาจากชาวบ้านขึ้นมาเป็นนายกองช้างสุดท้ายแล้วได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยปราบดามพิเศษลองนึกถึงชาวบ้านเนี่ยมันมีพอรู้ว่าคนในท้องถิ่นไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยดีใจขนาดไหน อยากไปแสดงความยินดีแล้วชาวบ้านสมัยโน้นเนี่ยมันเรียกว่าไกลปืนเที่ยงชนบทที่บ้านภูหลวงอะ่ะอยากจะไปแสดงความยินดีกับไอ้เด็กที่เคยมันอยู่ที่นี่เนี่ยนะแต่มันเป็นตะกูลผู้ดีไม่ใช่ตะกูนคนมีมีหน้ามีตาแต่ชาวบ้านเขาเรียกเป็นลูกเป็นหลานก็พอรู้มาเป็นใหญ่ในกรุงศรีอยุธยา ก็ไปกันนะเดินทางด้วยทางเรือสมัยก่อนเนี่ยฉลอมเนะผลไม้ปลาแห้งของกินเต็มเรือเพียบเลยนะไปจากบ้านผูหลวงบ้านผูหลวงอยู่ที่ไหนอยู่สุพรรณบุรีขนสุพรรณคนสุพันก็แสดงความยินดี กับเจ้านายสิหอบของขวัญพลุงพลังไปอยู่หน้าวังตำรวจวังก็สงสัยนี่หลงไปจากป่าไหนก็บอกจะมาหาเนี่ยคนที่เป็นใหญ่เนี่ยให้ไปบอกหน่อยมาจากบ้านคูหลวงทอพระเพทราชาทราบเปิดประตูวังเลย ให้ไปพักอยู่ใกล้ๆกับพระราชมุเทียนที่ประทับเสร็จแล้วก็ต้อนรับข้าวปลาอาหารอย่างดีแต่ละคนก็เอาของฝากท่านฉลอมบ้างอะไรบ้างปลาแห้งบ้างะนะผลไม้บ้างแล้วก็ชื่นชมบา ร, รมีบอกนายเราดีใจลูกนที่ท่านมาเป็นใหญ่เป็นโตหูบ้านท่านทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ แล้วก็ไอ้นั่นอีนั่นเนี่ยนะมันฝากความระลึกถึงมามันมาไม่ได้ผู้แก่ผู้เฒ่าแล้วนะคุยกันจนเจ้าหน้าที่หวังเนี่ยนะทนไม่ได้เหมือนกับตีเสมอเจ้านายภาษาก็ไม่มีพระชารัพเลยเน่ยเรื่องนี้เนี่ยเราได้ทราบจากพระราชพงศาวดารบันทึกไว้ละเอียดเลยบทสนทนาเนี่ย เป็นพระราชพงสาวดางกรุงศรีธ ย, ยาของพระพลนรัฐวันพระเชตุพนถ้าเล่าแล้วมันเสียอัธรรจะอ่านให้ฟังว่าพระเพศราชาเนี่ยเมื่อเจอเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะมาเจอชาวบ้านเนี่ยบานอกบานกอกนะพูดก็ไม่มีไม่เป็นของมาฝากก็แบบนี้แล้วพระองค์มีปฏิกริยายอย่างไร สมาณะ ต, ตาวางตัวเสมอต้นเสมอปลายเคย อ, อยู่สุพันณกันอย่างไรมาเจอกันในวงังท่านก็ทำตัวอย่างนั้นเนี่ยพระราชพงศาวดารของพระพหลนาเนี่ยบันทึกไว้อทมาอ่านให้ฟังเพื่อจะได้อักถรรเนยข้อความเป็นอย่างนี้แลพระญาติวงนุวงแลข้าหลวงทั้งหลายเป็นชาวชนบทประเทศ มิได้รู้จักเพชรทูนตามขนบธรรมเนียมประการใดเคยพูดจาแต่ก่อนอย่างไรก็พูดจาเพชรทูนอย่างนั้นแลว่าตูข้าทั้งหลายรู้ว่านายท่านได้เป็นเจ้าก็ยินรากยินดียิ่งนักชวนกันเข้ามาเพื่อจะชมบุญนายท่าน และซึ่งตายายผู้เฒ่าผู้แก่คนนั้นคนนั้นพ่อแม่อีนั่นไอ้นั่นป่วยเจ็บอยู่เข้ามาไม่ได้ได้ฝากแต่สิ่งของอันนั้นเข้ามาให้กำนันนายท่านด้วยส่วนข้าทูลละ อ, องธุลีพระบาททั้งหลายได้ฟังดังนั้นจึงห้ามว่าท่านทั้งหลายอย่าเรียกว่านาย พระองค์ได้เสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์เจ้าแผ่นเป็นพระมหากษัตริย์เจ้าพผ่นดินแล้วและท่านทั้งหลายอย่าพูดจาเพชรทูลดังนี้มิสมควรยิ่งนักสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสได้ทรงฟังดังนั้นก็ทรงพระสรวนดำรัสว่าผนเหล่านี้มันเป็นชาวบ้านนอกเคยชำนาญพูดจามาแต่ก่อนอย่างนั้น เราไม่ได้ถืออย่าห้ามมันเลยแล้วทรงพระกรนาให้วิเศษคือพ่อครัวนเนี่ยนะตกแต่งโภชนาหารมาเลี้ยงดูให้อิ่มหนำและพวกพระญาติวง์และข้าหลวงเดิมทั้งหลายได้รับพระราชทานโภชนาหารอันมีรสอร่อยต่างๆบางคนเป็นนักเลงสุราก็กลากทูนว่า นายในยท่านตูข้าอยากกินสุราก็สงพระกรุณาให้เอาสุรามาพระราชทานให้บริโภคครั้นได้รับพระราชทานแล้วก็เมาสุราบ้านก็ร้องเพลงเก็บดอกไม้ร้อยแลบเพลงไก่ป่าต่างๆเสร็จแล้วก็ถามว่านายท่านตกลงจะให้ตูข้านอนกันที่ไหนท่านก็ชี้ในวังนีลโขงนี่แหละ นอนกันตรงนี้ถัดจากพระราชมุลเทียนนอนเสร็จตื่นเช้าขึ้นมามีบันทึกต่อว่าอย่างนี้ครั้นรุ่งเช้าทรงพระกรุณาให้จัดแจงเลี้ยงดูให้อิ่มหนำสำราญแล้วก็ทรงพระราชทานเงินทองพันพ้ะนุ่งห่มสิ่งของเครื่องสีสำริตต่างๆเป็นอันมากโดยลําดับฐานานูรูปท้วนทุกคนแล้ว ให้พระราชทานเงินทองสิ่งของทั้งปวงฝากไปให้แก่ผู้ซึ่งมิได้มานั้นแดแต่เหล่าพระราชชดิวงศ์และข้าหลวงเดิมทั้งหลายได้รับพระราชทานสับวัตถุทั้งหลายแล้วถวายพระพรต่างๆแล้วถวายบังคมลาทรงพระกรุณาโปรดให้กลับคืนออกไปอยู่ตามภูมิลเนาวเองตนดุจก่อนเข้าใจว่ากลับสุพรรณและไม่มาอีกเลย นี่ตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงสมานัตตาพระเจ้าอยู่หัวในวังพระเพทราชาทรงปฏิบัติสอดคล้องด้วยมีปฏิการะตอบแทนชาวบ้านด้วยน้ำใจฉะนั้นเมื่อลำลำึกนึกถึงอุปการะใดๆแล้วเนี่ย ผู้มีความกตัญญูกตาวีทีในใจก็จะได้ปฏิการะตอบแทนด้วยทานหนึ่งทานคือการให้สิ่งของอามิสต่างๆปิยาวาจาการพูดจาไพเราะอ่อนหวานอัตถจริยาการบำเพินประโยชน์ตอบแทนและสมาณะตาการวางตนร่วมสุขร่วมทุกข์เสมอต้นเสมอปลายก็จะผูกใจ มิตรไว้ได้ทัทธมีมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมผูกใจมิตรไว้ได้ปูชโกและพาเตปูชังวันทโกปฏิวันท น, นังผู้บูชาเขาเขาก็บูชาตอบไหวเขาเขาก็ไหวตอบให้เขาเขาก็ให้ตอบดันโครงโลกกนิษฐ่ว่าให้ท่านท่านจักให้ตอบสนอง นบท่านท่านจะปองนอบไว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนวันนี้ได้ไม่เห็นอุปการะปฏิการะที่งดงามในมหาสมาคมนี้เป็นที่น่าอนุโมทนาทุกท่านทุกคนมาด้วยน้ำใจที่เป็นปฏิการะต่อเจ้าภาพ ท่านพลเอกเสรีท่านดรรชนีพรและครอบครัวทางฝ่ายของเจ้าภาพก็มีปฏิการะตอบแทนด้วยน้ำใจอันงดงามเช่นนี้ซึ่งจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราไปอีกนานทำให้ความสุขนั้นยั่งยืนเพราะเจตนาทั้งก่อนมาเมื่อมาถึงและ ร่วมกิจกรรมและระลึกนึกถึงจะประทับอยู่ในจิตใจของพวกเราไปอีกนานให้ความสุขที่ยั่งยืนเป็นที่น่าอนุโมทนาที่ทุกท่านได้มาร่วมงานนี้ทั้งทางเจ้าภาพได้บำเพ็ญ บ, บุญบาเพ็ญบุ ญ, บ ญ, บ ญ, บญเป็นกุศลเป็นปฏิการักต่อผู้มีพระคุณที่ร่วมรับอาตจจมาภาพในนามคณะสงฆ์จึงอนุโมทนาและขอตั้งกลยานจิตอธิษฐาน สราคุณพระศีรษตนตรายและบุญกุศลที่ทุกท่านทุกคนได้มาเห็นให้เป็นไปร่วมกันในวันนี้จงมารวมกันเป็นตะบะเดชะภาระปัจจัยอุทิศเป็นส่วนกุศลเป็นปฏิการะตอบแทนให้ผู้มีอุปการะคุณต่อคณะเจ้าภาพที่ร่วงรับที่ท่านที่ร่วงรับเหล่านั้น จงได้อานุโมทนาบุญเพื่อสําเร็จเป็นอิถวิบากสุขสมบัติทิพยาสมบัติในสัมปรายภพสมดังเจตนาปารกทุกประการอันหนึขอบุญกุศลทั้งปวงนี้พร้อมทั้งไมตรีจิตของทุกท่านทุกคนที่พร้อมใจกันมาด้วยความปรารถนาดีอธิษฐานจิตให้บุญกุศลทั้งปวงและพรภา ษ, ษีและ ต, ตระหนใจอำนวยพร ให้ท่านพลเอกเสรีพุกการมานและครอบครัวจงมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปโภควัรายทั้งปวงถึงซึ่งความเจริญด้วยอายุวันนะสุขาพละปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้รม ก็ขอให้ความปรารถนานั้นๆจงทันสำเร็จจงทันสำเร็จจงทันสำเร็จสม โ, มโนรถุงมาต์ปรารถนาทุกประการตลอดกาลละนานเทลน